อ่ากให้คนดีไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ไพระโอวาทที่ประทานไว้แก่โลกเพื่อโลกเป็นคนดีทั้งนั้นเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการความเดือดร้อนเที่หายอันเกิดจากความทั่วของการกระทําเพราะความไม่ไดเรี่ยงวิธีปฏิบัติตัวเองนั่นเลย การที่จะสร้างพระบรารมีให้ถึงความเป็นพระเจ้าผู้มีพระเมตตาอันเปี่ยมต่อจัตโลกนั้นจึเป็นการลำบากผิดกับบรารมีทั้งหลายอยู่มากความสามารถกับพระเมตตามีกำลังไปรงพร้อมๆกันถ้าต่างคนต่างได้ ยินได้ฟังเข้าวาดของพระพุทธเจ้าจะในที่เฉพาะพระภาคก็ตามหรือเป็นได้ฟังตามตำลับตำราก็ตามมีความเชื่อตามหลักความจริงที่ประทานไว้นั้นต่างคนต่างพยายามปรปับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดีแล้วนับแต่นคนนี้ก็เป็นคนดี คือคนที่หนึ่งก็เป็นคนดีคนที่สองก็เป็นคนดีในครอบครัวนี้มีกี่คนได้รับการอบรมสั่งสอนเพื่อความเป็นคนดีด้วยกันในบ้านนี้ก็เป็นคนดีเมืองนี้ก็เป็นคนดีเมืองนั่นก็เป็นคนดีประเทศนี้ประเทศนั่นเป็นคุ่คนดีด้วยกันแล้วเรื่องความสงบสุขของบ้านเมืองนั้นเราไม่ต้องถามถึงก็ได้ คือได้จากความดีของผู้ทำดีของคนดีนั่นแหละในเรื่องความทุกข์ร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาเพราะความไม่ดีต่างๆคนไม่ดีมีจํานวนมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับว่ามีเสีย้ยนมีหนามจานวนมากน้อยเพียงไรถ้ายิ่งมีมากเท่าไรโลกนี้มันก็เป็นโลกันต่แนละโลกมืด ทั้งกลางวันกลางคืนมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องไปถามพานรกคุ้มไหนลูกไหนมันสร้างทีที่หัวใจท้องคนแล้วก็ระบาดสาก ร, ระจายไปทุกแห่งทุกหนเลกลายเป็นไฟไปด้วยกันอยทั้งหมดน่ะี่เพราะความผิดทั้งนั้นไม่ได้เพราะความถูกต้องดีงามถ้าเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่มีว่าอะไรผู้พากษาสา ร, สารีกาสารอุทธ ร, รสารอะไรเหล่านี้มันไม่มี เพราะไม่มีเรื่องจะให้มีต่างคนต่างมีเจตนา ม, มุ่งหวังต่อความเป็นคนดีแล้วพยายามฟังเหตุฟังผลเพื่อความเป็นคนดีนั่นด้วยกันการพูดกันก็นรู้เรื่องไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงชายนักบาวชคารวัตรพูดกันรู้เรื่องทั้งนั้นความพูดกันรู้เรื่องก็คือความรู้เรื่องภายในจิตใจตนแล้วมีความมุ่งหวังอยากจะรู้เรื่องเหตุผลความจัดความจริงความดีงามอยู่แล้ว ฟังกันเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติกันได้อย่างรวดเร็วถ้าติโลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังไปอยู่ในฐานที่ใดบน่นแต่ความตู้ความร้อนเราสำรักสายวุ่นวายไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งๆ ท, ที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างหาความรู้แล้วความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอามาเผาตัวเท่านั้น<ม>นี่เพราะความรู้ประเภทนี้เหล่านี้ไม่มีทางเขาเคลือกแฝงไม่มีทางเขาเป็นเบรค เป็นคันเล่นเป็นพงมาลายมันจึงเป็นไปตามยถากรรมอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราเห็นคุณค่าแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีมากมายเพียงไรเพียงแต่เราพยายามทําตัวของเราเป็นให้เป็นคนดีแม้ไม่สามารถจะแนะนำสั่งสอนผู้ใดให้เป็นคนดีได้ก็าตาม ควทางเราวเราคือปฏิบัติตัวขงเราให้เป็นคนดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดเอียบบทเราแล้วก็ยิ น, น่ะความเย็นความผาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกต้องของการกระทําของตนเองความเย็นจึงมีขึ้นที่นี่มันมีขึ้นที่ใดแล้วคําว่าความถูกต้องความเย็นนั้นมีเป็นขั้นขั้นภาพทั่วไปก็ มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจประพื่อปฏิบัติให้มีความร่มเย็ยนเป็นสุดโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุดร่มเย็ยนน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเรินบันเทิงถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นติดจะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญพานาจิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่วทั่วไปส่วนทั่วทั่วไปนี้ก็พกยายามบาเพ็ญตน ให้เช่นหมดกดขันหรือขยับตัวเข้าไปตามลําดับแห่งความมุ่งหวังข้างตนความสูงของปรากฏขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้สนใจทา ง, ท า, งทางจิตตภาวนานี่เป็นเรียกว่าถ้าว่าเป็นแนวรบเป็นการเข้าสู่สงคามก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าทีเดียวทจำพวกนี้จำพวกแนวหน้าความมุ่งหวังขนาดนั้นแล้วเราจะทําหมอนแอไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความเข้มแข็งมีความเข้ ม, ม่วดว่าขันตนเองอยู่เสมอผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นผู้มีสติสตังอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้เข้มแข็งโดยเหตุโดยผลได้เนี่ยความเข้มแข็งนี่ต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญาการาระมัดระวังความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่าจะเป็นไปในทางถูกหรือผิดจะพ้ออย่างยิง่งจิตจะคิดไปในทางใดที่จะสั่งสมความไม่ดีงามขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นความผิดแน่นขึ่งเป็นส่วนละเอียด ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่อ ง, องระมัดระวังรักษาช้วดกวดขันที่ตลอดเวลากระจาของจิตด้วยความคิดคามปุงก็ไม่ไปกว้านาอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาโดนๆให้รับความเดือดร้อนนี่ก็เย็นนี่เย็นขึ้นไปนเป็นลำดับดังนั้นบรรดาที่ศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้มาอบรมในสถานที่นี้ ก็เป็นเวลานานพอสมควรเรียนกิลมานนําเอาธรรมะของพระพุทธเจา้าให้น้องเข้ามาสถิตไว้ในจิตใจของตนอย่าได้คิดว่าเราจะครูจากอาจารย์ไปจากวัดจากวาไปอันนั้นเป็นกิยาอันหนึ่งให้คิดถึงในข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงสอนไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาระถาโคต ในกรณี้ได้จากการประพฤติปฏิบัติของเราเรามีเราอยู่ในสถานที่ใดอินเดียบทใดมีความชะงวดกวดขันในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในจิตใจระมัดระวังอยู่ด้วยควา ม, มาระมัดระวังเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแจะทำและบูชาสถาคตคือดูบูชาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบทที่สองผู้ใดเห็นธทำผู้นั้นเห็นเราสถาคต เห็นธรรมนี้เห็นอย่างไง ร, รู้ธรรมรู้อย่างไงปฏิบัติธรรมเพื่อความเห็นธรรมปฏิบัติอย่างไรก็ดังที่เราปฏิบัติอย่างนี้ทางคิดตัดพอนาเป็นสำคัญนี่คือการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมก็จะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นสิ่งที่จีบที่ขวางอยู่ภายในตัเองเวลานี้ซึ่งเราถือว่ามเป็นข้าศึกต่อเราได้จะสัจจะทำสองบทเบื้องต้นคือทุกหนึ่งสมุทยัย เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจตามความจริงของมันที่มีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์ไม่มีเว้นเว้นแต่พระอระหันต์เท่า น, นั้นที่สมุทัยไม่เข้าไปแอบท่านได้ดังนั้นต้องมีไม่มากก็น้อยเหล่านี้ท่านเรียกว่าสัจธรรมพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชื่อว่าเห็นธรรมละได้ถอนได้เกิดเป็นผล ความสงบผูกเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอนการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นเป็นขั้นขั้นเห็นเป็นระยะระยะจนกระทั่งถึงเห็นองค์ตฐาคตโดยสมบูรณ์ถ้าเราจะพูดเป็นขั้นเป็นภูมิก็เช่นผู้ปฏิบัติในสําเร็จพระโสดาปติมักโสดาปติผลก็เชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้ากระแสแห่งธรรมเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าเป็นทุ่งนา ก็เริ่มมองเห็นท่านอยู่ทางโน้นเราอยู่ทางนี้เ น, นี่ยสกิทาทาใกล้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้าไปอนาคาใกล้เข้าไปโดยลําดับถึงพระรหัสตผลแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์นะธรรมที่จะให้สําเร็จมนาะผลนั้นๆในทางภาคปฏิบัติก็อยู่กับเราด้วยกันทุกคนการที่เรายึดเราถือการพุทธปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเราเดินตามหถาคต เหมือนกับมองเห็นพระสถาคตอยู่ได้ด้วยความปฏิบัติของเรานีเห็นแน่หนึง่งเห็นด้วยทางเหตุคือการปฏิบัตินี่แล้วก็เห็นโดยทางผลสิ่งที่คุณได้รับโดยลําดับลาดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงผู้ทรงเห็นทรงได้รับและผ่านไปโดยลาดับแล้วนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่หนาห่างเหินจากใจของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาสถาคตหรือบูชาพระธรรมพระสงฆ์นี่เลย นี่เป็นการบูชาแท้นี่เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรของเราการจากไปเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่นี่ก็จากเช่นนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็จากไปที่นั่นนั่งจากที่นั่นบุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่มันจากอยู่ตลอดเวลานในเรื่องความจากนี่เราจะไปถือว่าจากโน้นจากนี่จากเมืองนั้นมาเมืองนี้จากบ้านนี้ไปเมืองนั้นจากสถานที่นี้ไปสู่สถานที่นั่นเขาเรียกว่าจากคือจากใกล้จากไกลจากอยู่โดยลํำดับอํานา แห่งโลกอันนี้จังมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่เช่นนี้มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่เสมอสิ่งนี้เรานํามาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมได้โดยหลักของไตรลักษณ์เป็นทางเดินของผู้จะรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายต้องอาศัยหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดินเราอยู่ที่นี่เราก็บําเพ็ญธรรมเราไปอยู่ที่นั่นเราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อตรตรชี้เหลือเพื่อระงับดับความคุกทั้งหลายที่มีอยู่ภายใ น, ในจิตใจของเรา อยู่ที่ไหนแล้วก็บําเพ็ญเพื่อความละความถอนย่อมจะละได้ถอนได้เพื่อการบําเพ็ญด้วยกันโดยไม่หมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี้เพราะสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อการละการถอนนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสัส่งสอนสาวกไปเถิดพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอไปหาอยู่ในที่สงบสงดเป็นปุณ เหนียวแน่นแก่นนักรบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายเข้าเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลานะไม่จาเป็นที่เธอทั้งหลายจะมานั่งห้องร้อมเราอยู่ชนีถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าไม่ใช่อย่างนั้นผู้ใดมีสติสตังผู้นั้นมีความเพียรอยู่ในเอียบบทใดชื่อว่าผู้บูชาราศราคตหรือเข้าร า, าคตผิตราบนั่นแหละแม้จะมานั่ง ตรงหน้าเราถาคตถ้านั่งอยู่ด้วยความตั้มา่ก็หาได้พบถาคตไหมหาได้เห็นถาคตไหมหาได้ฟังถาคตไหมเราไม่ถือว่าการเข้ามาการออกไปชนนี้เป็นการเข้าเฝ้าครับถาคตและการออกไปจากถาคตแต่เราถือถึงความเพียนสําคัญต่างหากนะการต่อสู้เลีได้มากน้อยชื่อว่าเข้าเฝ้าลราโดยลําดับลาดับหรือคิอว่าเราเห็นถาคตไปโดยลําดับลําดับนี่เป็นหลักใหญ่ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนส า, าวกว่าไปเถนะิดนักสั่งสิ ไฮฮับตประกอบความทภาคเพียรเพื่อถอดถอนวิเลศซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของพวกให้หมดขึ้นไปเดิมำดักและพวกเธอทั้งหลายจะเห็นนถาคตเองว่าอยู่ในสถานที่ใดโดยไม่จําเป็นจะต้องมามองดูนถาคตนี้ว่าเป็นนถาคตขอให้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของพวกเธอทั้งหลายให้ได้จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงนี่เธอทั้งหลายจะเห็นนถาคตอันแท้จริงซึ่งเป็นสมบัติของพวกเธอแท้อยู่ภายในใจของพวกเธอนั่นแหละแล้วนํา ธรรมชาตินั้นมาเทียบยังประถาคดว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่ฟังกข้ว่าของบุรุชาเป็นหลักสําคัญอย่างนี้การทําจิตใจการทําตัวให้เป็นคนดีคือว่เป็นการส่งสมความสุขความกระเรินขึ้นภายในจิตใจจนโดยลํานันะผลก็คือความสุขนั่นเอง สิ่งที่ที่มันเกิดความหาความสุขไม่ได้หรือมีความสุขไม่สมบูรณ์เพราะมีสิ่งจิตขวางที่ให้เกิดความสุขอนันสมบูรณ์อยู่ภายในจิตใจของเราการจเจริจ่พิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ได้แต่อะไรนะนีกิเลศท่องนั้นที่เป็นเครื่องจิดขวางเสียดแทงจิตใจของสัตว์โลกอยู่ที่มาเห็นความสุขอนันสมบูรณ์การทุกการนําความทุกความลําบากทั้งภายในภายนอกส่วนมากขึ้นจากพิเลศไม่ใช่เรื่องอืน่นเช่น มีเจ็บไข้ได้ป่วยภายในร่างกายอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของกิเหลียแทรกเข้ามาบ้านเราเจ็บนั่นเราปวดนี้เกิดความโกลวายและสำลักสายด้วยมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นทุกข์ทางใจอีกประเภทหนึ่งแทรกขึ้นมาจากโรคภ า, ายนกายถ้าเพียงโรคภ า, ายนกายธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นได้สาวกก็เป็นได้เพราะขันอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างสมมุติอยู่แล้วคือเรื่องไกลลากทายจะ ข้ามพ้นอันนี้ไปไม่ได้เมื่อมีท่ามีขันก็ชั่วมีสมมุติก็ต้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติใต้ใต้กฎหลักธรรมดาต้องมีความแปรสภาพไปธรรมดาแต่กายนั้นไม่มีความหมันไหลเพระรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วโดยรอบรอบไม่มีอะไรที่จะโว้าณาจิตใจแต่พวกเราไม่เป็นเช่นนั้นมาทุกเกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อย ก็เป็นการสอนถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นภายในตนอีกมากน้อยเช่นเดียวกันหือไม่ดีความทุกข์ภายในจิตใจยิ่งมากกว่าความทุกข์ภายในร่างกายซะอีกเนี่ยแะ่ยานจววารียๆว่ากิเลสมันเข้าแทรกได้ทุกแง่ทุกมุมถ้าเราเผลอไม่มีสติปัญญาทันแค่เท่านั้นเนี่มันเข้าได้ทุกแง่ทุกมุมโดยไม่อ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่อียาบทใดๆทั้งสิ้นมันเกิดได้ทุกระยะขอแต่ความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออก ซึ่งก็เป็นเรื่องของจิเลสผลักออกมาอีกเช่นเดียวกันแล้วเรื่องของจิเลสช่วยจิเลสมันจะเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากมันจะเป็นจิเลสทั้งตัวของมันแล้วเพิ่มพูนขึ้นโดยลํำดลับเท่านั้นจิงต้องทุ่มเทสติกำลังกับปัญญาศรัทธาความเชือขงเราลงให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเรียนธาตเรียนขันจบกระเสริร์เรียนอะไรจบ S <S <an> <S ก็ยังไม่พอกับความต้องการยังมีความหิวความโหยเป็นธรรมดาถ้าเรียนธาตุเรียนขันเรียนจิตใจจบไม่มีความหิวโหวยพอตัวอย่างเต็มที่ประจักษ์กับจิตใจเวลานี้เรายังบกพร่องในพิชาขันาธาตปฏิบัติในขันพิชาคือความรู้แจ้งแทงทะลุในธาตุในขันนี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้าง นักควรจะแยกแยะ ก, กันให้เห็นตามความจริงอย่างไรบ้างอะไรจริงอะไรตรอมเราเรียนยังไม่ตกเราเรียนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันจึงวกึงวนจึงวุ่นจึงวายอยู่ภายในธาตุในขันในใจิตในใจนี้เท่านั้นสถานที่วุ่นวายไม่วุ่นที่ไหนวุ่นที่ธาตุที่ขันที่จิตที่ใจซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวการชำระยังไม่เสร็จในสิ้นนี้แหละเพราะฉะนั้นการเรียนที่นี่จึงเป็นการชำระคดีซึ่งมีความเกี่ยวขว้องกันโดยมีปัญญาเป็นผู้รักษาเครื่องตัดสินไปโดยลำดับําดับ เรียนให้จบขันมีอะไรบ้างนี่เคยพูดให้ฟังเสมอรูปประขันร่างกายทั้งร่างไม่มีอะไรยกเว้นรวมแล้วเรียกว่ารูปประขันคือกายของเราเองเนเวทนาขันความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจ มีท่าเรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆท่าเรียกว่าสัญญาขันสังขารขันคือความปรุงของใจคิดดีคิดชัว่วคิดเรื่องอดีตอนาคตดังนี้เป็นต้นเรียกว่าสังขารขันเป็นหมวดเป็นกองวิญญาณขันคือความรับทราบจากเวลารูปเสียง เป็นลดเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกริางกายของเรารายงานเข้าไปสู่ใจเป็นความรับทราบในขณะที่กิ่นนั้นสัมผัสตามขนะของหมัดแล้วดับไปตามสิ่งนั้นที่ผ่านไปมีท่านเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นวิญญาณในขันห้าวิญญาณในกันห้ากับปฏิสนที่วิญญาณนั้นต่างกันปฏิชนที่วิญญาณนั้นหมายถึงมโนหรือหมายถึงจิตโดยตรง จิตที่จะก้าเข้าสู่ปฏิทินที่วิญญาณในกันเนือต่างๆท่านเรียกว่าปฏิทินที่วิญญาณหมายถึงใจโดยตรงส่วนวิญญาณในขันหานี่มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปวิญญาณก็ดับไปพร้อมคือคาคือความรับทราบดับไปพร้อมขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปแต่ปฏิทินที่วิญญาณนี้หมายถึงใจทราบตนเองอยู่โดยลําดับโดยลําพังมีความรู้โดยลําพังอันนี้ไม่ดับ คือขันห้าเรียนขันห้าเรียนทบทวนให้เป็นที่เข้าใจอันใดที่ยังไม่เข้าใจเรียน ห, หลายสลบทบทวนคุยเคียขุดค้นกันอยู่เป็นจ น, เ ป, นเป็นที่เข้าใจนี่สถานที่ทํางานของผู้ที่จะรื้อจิเลตันหาสระออกจากจิตใจที่เรียกว่ารื้อถอนวั ต, ตวนคือความหมุนเวียนในจิตที่ไปเกิดในกําเนิดต่างๆไปเที่ยจับจรองป่าช้ามันี้สิ้นสุด ทั้งทั้งที่แม่ตายก็ไปจับจองไว้แล้วก็เพราะเหตุแห่งความหลงในขันความไม่รู้เรื่องของขันจึงต้องปพยาหามยึดขันทั่นทั้งที่ขันนี้ยังอยู่ก็ยังไม่พอยังไปยึดไปหลงไปอีกเรื่อยๆไม่มีความพิสูจน์ถ้าแม่ปัญญาเข้าไปพิสูจน์พิจารณาจนกระทั่งตัดได้นอันนใารเรียนเรื่องขันรูปประขันก็คือตัวสัจธรรมก็ตัวอสถิตฐานสี่ว่าอะไรเหมือนกันหมด มันเป็นไวายพนดของการาการรมใช้แทนกันได้เราพิจารณาเนี่ยาอาการแบอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรมถูกถูกถูกเรื่องของสติปัฏฐานสี่ปกติไม่มีโรคภยัยไขเจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายอยู่อย่างนี้แล้วเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายรูปก็เป็นรูปทีช่นนี้เอง แต่ความวิการของธาตุของขันมันก็มีการไปตามเรื่องของมันทุกเวทนาเกิดขึ้นจากความวิการของสิ่ง น, นั้นที่ไม่อยู่คงที่ดีงานติดก็ให้ทราบตามเรื่องของมันชื่อว่าเรียนวิชาขันเราอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสนกตกใจอย่าไปเสียอกเสียใจกับมันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมาชาติถ้ามันจะต้องแปลอ ย, อยู่โดยลาดับ แต่อย่างลี้ลับก็มีแต่อย่างเปิดเผยก็มีแต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนทุกทแยะทุกวินาทีลึกหรือบาวินาทีมันก็ยังห่างไปทุกขณะไปเลยทุกเวลาไปเลยมันแปรของมันอย่างนั้นแปรเรื่อยๆนี่ความแปรเรื่องความทุกข์ก็แสดงตัวอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดเคยนิ่งนอนเลยคนเรายังมีการหลับการนอนการพักผ่อนให้สบาย ไอ้เรื่องสัจธรรมไอ้เรื่องไตรลักษณ์นี้ไม่เคยหยุดไม่เคยผ่อนผันสัญนยาวกับใครเดินตามหน้าที่ของตัวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกับจินต่างๆเป็นสภาพจะต้องหมุนไปอยู่เช่นนั้นในร่างกายของเรานี้มันก็หมุนของมันอย่างนั้นเหมือนกันแปลสภาพนี่เรานั่งสักเดี๋ยวนี้เจ็บปวดขึ้นมาแล้วนี่มันแปลไหมนั่นมันไม่แปลจะเจ็บปวดทําไมความเจ็บปวดวก็อย่าบอกทุกขเวทนา มันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้เราทราบเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งวินาให้เห็นตามความจริงของมันเวลาจําเป็นจําใจขึ้นมาเราจะอาศัยใครไม่ได้เราจะไปหวังพึ่งคนนั้นหวังพึ่งคนนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราซึ่งจะทําให้กําลังทางด้านจิตใจของเรามันลดลงไปจนกระทั่งเกิดความท้อถอยอินทร์และอาใจต่อการ ช่วยตัวเองมีเป็นความเข้าใจผิดที่เป็นความเห็นผิดของจิตซึ่งมีที่เลดเป็นเครื่องกระสุดขณะตัว จ, จริงๆก็เหมือนกับ น, นักมวยเขาขึ้นเวทีครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต่ที่ยังไม่ขึ้นเวทีเมื่อกล้าขึ้นสู่เวทีแล้วไม่มีทางที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างไรผิดกับถูกดีก็ทั่วเป็นตายก็ต้องตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถอุบายวิธีที่จะโชคจะต่อ ย, อยัง่ะ อย่างไรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลาเนี่ยเวลาเราเข้าสู่สงครามคือตาจนภายในท่านนขันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลายนี่มันก็เหมือนกับอีแลนอีกาที่มาจับต้นไม้เวลามาจับ ก, ก็เสก็ไม่ค่อยกระเทือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปบังทีขิเหว่กิ่งมันไหวหมดทั้งกิ่งบางทีหากกิ่งมันตา ย, ยานี่พื้นแม่น้หนามันคงหักไปก็มี หรือเวลามันจะจากกันไปมันเขย่าเรานะเขย่าในธาตุในขันนี้นี่เราจะทนต่อการเขย่าได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่สติกับปัญญานี้ทนไม่ได้เราต้องสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกําลังความสามารถเราไม่ต้องกลัว เ, เราล่มเราจมเพราะการสู้การพิจารณาธาตุขันให้เห็นตามความจริงนี้ไม่มีการล่มการจมนี่คือการช่วยตัวเองโดยเฉพาะหรืออย่างเต็มกําลังความสามารถและ เป็นการถูกต้องอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยด้วยถึงคาจำเป็นเข้ามาจริงๆจะมีแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นสแสดงอย่างเด่นชัดทีเดียวภายในกายทุกชิ้นทุกส่วนจะมีแต่เหมือนกับเป็นไฟหมดทั้งกองภายในร่างกายของเรานี้กลายเป็นกองไฟรือท่อนไฟทั้งรุ่นไฟทั้งรุ่นเลยแดงไปโผล่ไปหมดด้วยความรุ่งร้อนแล้วเราจะทาไง ้สติปัญญาย่างลงไปถ้าเห็นความทุกข์ความร้อนอันนั้นรู้ประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วร้อนดูจิตใจของเรามันแดงโลดอย่างนั้นไหมมันร้อนอย่างนั้นไหมหรือมันร้อนตั้งแต่ธาตุแต่ขันถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราได้พิจารณาทางด้านปัญญาอยู่โดยเสมอเสมอเช่นนี้แล้วใจเราจะไม่ร้อนใจเราจะเย็นจะสมายอยู่ในช่องกลางแห่งความเพลิงคือขันที่กําลังทุกโพงพ ง, งอยู่ด้วยความทุกข์นั่นแหละ ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่คือว่าเราช่วยตัวเราเองให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งใครในขณะนั้นเรียกว่าเข้าขึ้นบนเวทีเมื่อจะตั้งหน้าสู้กันนะต้องสู้ให้ถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายใครจะหารลงเวทีไม่หาไม่สำคัญสู้จนเต็มกําลังความสามารธทของเราด้วยปัญญาของเรานั่นอยสู้เอาเฉยแบบคนเอาเฉยก็ไม่ใช่ เพินขึ้นไปให้เขา ต, เาต่อยเอาต่อยเอาโดยที่เราไม่มีปิดมีป้องไม่ต่อสู้เขาเลยนี่ใช่ไม่ได้เราต้องสู้เต็มเม็ดเต็มเหนือเต็มถ้าปิดกำลังความสามารของเราสู้กระเวทนวะคือการพิจารณาเห็นตามความจริงของมันอย่าไปบังคับให้มันหายคําบังคับให้มันหายมันผินดคติธรรมดานอกจากการพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันรู้เป็นรูปอย่าไปเอาอะไรมาขัดมาแย้งอย่า อ, าอะไรมาแทรกมาแซงว่าให้เป็นอย่างอื่น รูปเป็นรูปกายเป็นกายสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ารูปนะเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจะสุขก็าตามจะทุกข์ก็ตามจะเฉยก็าตามมันเป็นเรื่องเวทนาอันห น, หนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้ว่ากายผู้ที่รู้ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยคือไข่ถ้าไม่ใช่ใจี่ใจไม่ใช่ธรรมชาตินั้นให้แยกกันออกให้เห็นกันดึกความชัดเจนโดยทางปัญญาดิฉันนี้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาสัจธรรมโดยถูกต้องแล้วเราจะไม่หวัน่นไม่ไหว ถึงร่างกายมันจะทนไม่ไหวเอาอะไรจะดับไปก่อนไปหลังทำมันรู้เพราะเราแน่ใจแล้วและความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยว่าใจไม่ใช่ผู้ดับใจเป็นผู้จะคอยรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเอาอะไรไม่ทนไปร่างกายไม่ทนเอาแตกไปเวทนาไม่ทนเอาสลายไปอะไรไม่ทนให้สลายไปไปหมดอะไรทนจะคงตัวอยู่ส่วนที่คงตัวอยู่นั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้จะเป็นอะไรนั่นก็คือผู้รู้เด่นยึดตลอดเวลามเมื่อได้ ฝึกหัดตนโดยทางสติปัญญาจนมีความสามารถแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นแต่ถ้าสติปัญญาอาภัพกิจจั้งแล้วก็ทอแค่อ่อนแอถอยหลังแล้วเรื่องความทุกข์จะรุมเข้ามาสู่ที่จิตใจทั้งหมดเทอดใจเป็นผู้สั่งสมทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความโง่ของตนเองนะเพราะฉะนั้นความทถอถอยจึงไม่ใช่ทางที่จะชนระตนให้พ้นจากทายทั้งหลายไปได้นอกจากความขยันหมั่นเพียรนอกจาก ความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ชยัยนะไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ความเด่นความดีความดีค ว, มดความสงาา่าผ่าเผยความองอาจขาหารขึ้นพลายปิดใจเราพิจารณาอย่างนี้สมมุติว่าเราอยู่ในบ้านปราศจากครูปราศ จ, จากอาจารย์ครูอาจารย์ได้สอนไว้ให้อย่างไรปราศจากที่ไหนท่านสอนไว้อยังไงนั่นแหละคือองค์ท่านนั่นแหละคือองค์รตถาคตนั่นแหละคือองค์พระธรรม เราอยู่กับพระธรรมเราอยู่กับพระเจ้าพระสงสมอยู่ตลอดเวลาโดยพระอาวโลกุปฏิบัติกร็ร่นยา่าแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นเราไม่ได้ปรัชญาครูปรัชญาอาจารย์เรามีมีเราอยู่ด้วยความมีที่พึ่งคือมีสติมีปัญญามีท่าความเพียนลบฟันหันแหลกกันกับสิ่งที่เป็นข้าศิกอยู่เช่นนี้แต่ว่าเราปรัชญาครูได้ยังไงเรา อ, อ, อ, อ, อ, อยู่กับครูแล้วก็รู้ก็ต้องรู้แบบนี้ครู คือวิธีการแห่งการปฏิบัติตนไม่มีความว่าเวไม่มีความหวั่นไหวให้มีความแน่วแน่ตามความจริงแห่งธรรมที่ครูที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้แล้วถือยึดเป็นหลักเป็นเจนอยู่ภายในจิตใจเสมออยู่ที่ไหนก็เรียกว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์พระพุท ธ, ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพุทธธรรมสังฆะอันแท้จริงแล้วอยู่กับจิต มีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้รับพุทธธรรมสงได้หรือทำทั้งทั้งดวงได้มีจิตเท่านั้นผู้ที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมสงได้มีจิตไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดกายมันไม่รู้เรื่องมันจะไปรู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมสงได้ไงเวทนามันก็ไม่รู้เรื่องจะว่าสัญญาเพืองจํามาให้แล้หายเนี่ยไปสัญญาสังขาตรตุงขึ้นล้หายเงียไปมันเป็นสาระอะไรที่จะพอรับพระพุทธเจ้าไว้ภายในตนเนี่ย ผู้ศรัทธาว่าจริงๆผู้ที่เข้าใจเรื่องพุทธเจ้าจริงๆและผู้ที่จะเป็นพุทธะอันแท้จริงก็ผิดๆนีเท่านั้นนั่นจะให้พิจารณาอให้เต็มเน็ตเต็มมือกระดั้นท่อถอยอ่อนแออย่างไรเราทุกคนต้องก้าวเข้าสู่สงครามที่เป็นเรื่องใครช่วยไม่ได้ด้วยกันทุกคนนอกจากเราจะช่วยตัวเอง และแน่ที่สุดว่าเราจะต้องช่วยตัวเองทุกคนถึงค้าวจาเป็นมาไม่มีใครช่วยได้พ่อก็พ่อแม่ก็แม่ลูกก็ตามสามีก็ตามภรรยาก็ตามเป็นแต่เพียงว่าดูอยู่เฉยๆถึงวาละแล้วจะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานให้พ้นจากสิ่งพัวพันทั้งหลายนั้นนอกจากปัญญาและสติด้วยความเปลี่ยนเราแล้วไม่มีนี่เราที่ต้อง เช่นงวดขวดขันและให้มีความเชื่มแข็งให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เสียท่าเสียทีไม่ว่าเรื่องของขันจะแสดงขึ้นอย่างไรมันไม่เหนือตายแสดงขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็ถึงแค่ตายเทนั้นผู้รู้ก็บรู้กันถึงตายเมื่อธาตุขันมันสลายไปแล้วผู้รู้ก็หมดปัญหาที่จะไปพิจารณาตามพิจารณามันเอาให้มันถึงถึงจิดถึงเหตุกึงผลแล้วก็ถึงทำมันแท้จริงภายในจิตใจของเรา การแสดงถังก็เห็นว่าส่วนเพอาะยุติธรรมตรงนี้